ยีการปฏิบัติธรรมคืออะไรคําว่าปฏิบัติประกอบด้วยปฏิแปลว่าเฉพาะบัตหรือปฏิแปลว่าเข้าไปเห็นไปตั้งอยู่ไปเห็นอยู่แท้จริงแล้วคําว่าปฏิบัติก็คือการที่มีสติไปเห็นเฉพาะหน้านั่นเองเห็นกายเห็นใจเฉพาะหน้าไม่ใช่ไปทําอะไรแปลกๆเนื้อธรรมดาเกินจริงเราไม่ได้ไปดัดแปลงจิต แต่เราพัฒนาจิตขึ้นมาให้จิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ตั้งของมันเองเพราะสติเกิดถ้ามีสติแต่ไม่มีปัญญาจะไปตั้งแช่ในอารมณ์ถ้าแปลการปฏิบัติว่าในเครื่องหมายคำพูดทำจะยากมากแต่ถ้าแปลว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดรู้อยู่เฉพาะหน้าตามรู้กายตามรู้ใจเฉพาะหน้าปิดเครื่องหมายคำพูดจะไม่ยากอะไรถ้าทำจะไม่ได้บรรลุอะไรเลย แต่ถ้าหยุดทำแล้วรู้อย่างเดียวจะได้มักผลนิพพานเบื้องต้นให้รู้สภาวะแต่ละอันที่ปรากฏต่อหน้าต่อตารู้ไปเรื่อยๆแต่ละอย่างแต่ละอย่างเดียดเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูดูไปเรื่อยๆพอใจเป็นกลางก็จะเห็นทุกอย่างมันชั่วคราวเบื้องต้นต้องรู้สภาวะแต่ละอย่างเสีกยก่อนเช่นรู้ว่าสภาวะอย่างนี้คือความโกรธหรือจะไม่รู้ชื่อก็ได้ ให้เราเห็นเลยว่าสภาวะอย่างที่หนึ zusammen zusammen zusammen zusammen zusammen zusammen so, like ่งก <Co> ับสภาวะอย่างที่สองไม่เหมือนกันอาจจะเรียกชื่อไม่เป็นก็ได้หรือจะเรียกว่าสภาวะที่เผลอไปกับสภาวะรู้สึกตัวนี้คนละอันกันสภาวะที่รู้สึกตัวกับสภาวะที่เพ่งนี้คนละอันกันสภาวะที่เพ่งอยู่แล้วก็กลับมารู้ตัวก็คนละอันกันหรือสภาวะที่เพ่งอยู่แล้วกลับมาเผลอก็คนละอันกัน จะเห็นว่าสภาวะแต่ละตัวมันแตกต่างกันเราต้องเห็นสภาวะแต่ละตัวถึงจะเห็นความแตกต่างกันได้ถ้าเห็นเป็นฝูงจะไม่เห็นไตรลักษณ์เช่นถ้านั่งกันอยู่พันคนหมื่นคนมีคนหนึ่งเกายุกยิกจะดูไม่ออกหรือในทะเลมีปลาอยู่ฝูงใหญ่มีเป็นหมื่นตัวแสนตัวถูกปลาฉลามเอาไปกินสามตัวอย่างนี้ดูไม่ออกแต่ถ้าดูทีละตัวเห็นความโกรธผุดขึ้นมา พอรู้ทันก็ดับไปวงเล็บเปิดถูกฉลามกินไปแล้ววงเล็บปิดความโลภเกิดขึ้นมาพอรู้ทันก็ดับไปจะเห็นทีละตัวเลยว่ามีแต่เกิดแล้วดับฉะนั้นต้องรู้สภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวก่อนเพื่อให้รู้ว่าสภาวะแต่ละตัวล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นถ้าเห็นสภาวะเป็นตัวตัวอย่างนี้ไม่ได้มันจะมัวมวเช่น ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเห็นขันห้าทำงานคลุกมั่วซั่วอยู่ด้วยกันทั้งหมดและใจก็หนีไปอยู่กับสมุิบัญญัติด้วยไม่ได้ดูขันห้าอย่างนี้ไม่มีวิปัสสนาจะไม่เห็นกายเห็นใจว่าเป็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราเห็นกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเห็นขันห้ากระจายตัวความโกรธความโลภความหลงเห็นแล้วก็หายไปได้เรียกว่าเห็นลักษณะร่วม ในวงเล็บสามัญญลักษณะของทุกๆสภาวะเมื่อเราเห็นซ้ำๆว่าสภาวะแต่ละตัวเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับในที่สุดจะได้ข้อสรุปเป็นลักษณะร่วมในวงเล็บสามั ญ, ญลักษณะของปรากฏการณของสภาวะธรรมทุกตัวว่าเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดทำให้ได้ความรู้รวบยอดในวงเล็บไม่ใช่รู้ทีละอันซึ่งเป็นปัญญาอย่างยิ่ง เมื่อใจสรุปขึ้นมาได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาสำหรับสภาวะธรรมทุกอย่างจิตจะเข้าสู่ระดับจิตของพระโสดาบัน